บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะที่ท่วาด้วยเรื่องของธาตุซึ่งพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในภูาธาตุกะสูตรนั้นยังมีอยู่อีกสองชุดคือชุดแรก ทรงจำแนกเป็นสามธาตุคือกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุคำว่ากามธาตุนั้นเป็นเชื้อของความรักใคร่พอใจปรารถนาต้องการและยินดีในวัตถุกรรมทั้งหลายและแก่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเชื้อจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยธาตุ ในลักษณะนี้มากย่อมมีความโน้มเอียงไปในการไขว้คว้าสแสวงหาวัตถุกรรมทั้งห้าประการเพื่อมาสนองตอบความต้องการของตนแต่ถ้าหากว่าเชื้อที่มากนั้นไม่มีธรรมะเป็นตัวควบคุมใจหรือเป็นหลักใจก็ก่อให้เกิดการสแสวงหาที่ ไม่คำนึงถึงพื้นฐานแห่งความถูกต้องความดีงามดังนั้นในชั้นของกรมธาตุจึงทรงจำแนกเป็นภูมิของจิตไวถึง1ิบเอ็ดภูมิด้วยกันซึ่งหมายความว่าความแตกต่างแห่งภูมิจิตของบุคคลหรือชั้นจิตของบุคคลนั้นก็เกิดขึ้นจากความมากน้อยแห่งธรรมะ ที่เป็นเครื่องควบคุมใจในการเพิ่มเชื้อการมาธาตุขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนและในภูมิใจเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดเป็นภพคือกำเนิดที่บุคคลเหล่านั้นตังจากตายไปแล้วจะอุบัติในภพเหล่านั้นทรงจำแนกเป็นอบาย4ีมนุษย์หนึ่งและสวรรค์หก ที่เรียกว่าชั้นกามาพจรคือชั้นที่ใจ ย, ยังท่องเที่ยวมุกมุ่นเพลิดเพลินยินดีอยู่ในวัตถุกรมทั้งหลายทำไมจึงมีทั้งอบายทั้งมนุษย์และทั้งสวรรค์ชั้นกามาเปจร์คนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพบว่าในการสแสวงหาลาภของบุคคล น, นั้น เมื่อเราโดยสรุปแล้วก็จะมีอยู่สามชั้นด้วยกันชั้นแรกจะไม่คำนึงถึงการได้มาขอเพียงได้มาเท่านั้นอาจจะมีการฆ่าการทำลายการรักการขโมยปล้นจีจนถึงกระทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิตไปก็เอาขอเพียงแต่ให้ตนได้ลาบมาเท่านั้นพฤติกรรมในลักษณะนี้แสดงเห็นถึงความเขียมเกรียม ความเข้มข้นในด้านกา ร, รมทธาตุและความมากของโมหะหรืออวิชชาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นในชั้นของภูมิจิตหรือระดับจิตก็เป็นระดับจิตที่ตกตำ่ำเป็นพฤติกรรมที่ยื้อแย่งกันทำอะไรไปตามแรงดันของสัญชาตญาณซึ่งเป็นสัญชาตญาณดิบ มีความรุนแรงหักลา้กลางทำลายกันแมในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยร่างกายที่เป็นคนนั่นเองแต่สภาพจิตก็ตกอยู่ในอบายอย่างที่พระโบราณอาจารย์แสดงว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวมนุษย์เดรชาโนมนุษย์สเนรโนินนรโกเป็นต้น ซึ่งหมายความว่าสภาพจิตของบุคคลที่มากไปด้วยความอาฆาตพยาบาทความรุนแรงต่างๆก็เป็นสภาพจิตแทงสัตว์นรกสภาพจิตที่หิวโหยด้วยเชื้อของการมาธาตุไม่รู้จักคาปราเต็มคาว่าอิ่มคำว่าพอในการขวายคว้าสแสวงหาก็เป็นสภาพจิตแทงเปรต ใจิตใจของบุคคลที่มุ่งสแสวงหาลาบด้วยกลอุบายวิธีต่างๆมีหลอกลวงปลอมแปลงเป็นต้นเพื่อได้มาซึ่งลาบผลเป็นการตอบสนองความต้องการของตนก็เป็นสภาพจิตของอสุรกายใจิตใจของบุคคลที่มุ่งยื้อแย่งเพื่อสนองตอบความปรารถนาของตนอย่างที่พูดกันว่า แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ก็เป็นสภาพจิตที่เป็นดิราชานเป็นอาการของชีวิตเป็นสภาพของชีวิตที่จเจริญขวางราบไปกับโลกไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจแต่นในขณะเดียวกันด้วยอัตภาพร่างกายของคนนี้เอง ความสำนึกที่กอบด้วยเหตุผลมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นแม้จะมีเชื้อของการมาธาตุปรากฏอยู่ก็ตามแต่การมาธาตุเหล่านั้นจะได้รับเชื้อภายนอกอย่างมีสติอย่างมีสัมปชัญญะควบคุมจิตใจของตนไว้โดยความสำนึกถึงความเหมาะความควรโดยอาศัยหลัก พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งคำว่ามนุษย์ในโวหารทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้เน้นไปที่รูปธรรมแต่เน้นไปที่นามธรรมาคือพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลที่ท่านเรียกว่าสัตว์ใดมีใจสูงสัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์มาเป็นเครื่องวัดความมีใจสูงหรือความมีใจต่ำนั้น จะยกเอากุศลกำหนดสิบประการคือการไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันในส่วนร่างกายส่วนทรัพย์สินและไม่เบียดเบียนกันในส่วนของประเวณีผู้จะเกี่ยวข้องติดต่อกบผาสมาคมกรรมกรมกันด้วยถ้อยคําที่เป็นคําสัตย์คําจริงคําเสริมสร้างสามคัคคีคำไพเราะอ่อนหัานโดยพื้นฐานทางใจแม้จะมีกามาธาตุอยู่ มีความโลภอยู่มีความโกรธอยู่มีความหลงอยู่แต่ก็ควบคุมความรุนแรงของความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ไม่ถึงโลภอยากได้ของของคนอื่นถึงโกรธก็ไม่ถึงพยาบาทปองร้ายคนอื่นถึงจะหลงก็ไม่ออกนอกคันลองแห่งธรรมซึ่งปัจจัยสาคัญที่สุดก็อยู่ที่หลักของสมาธิธที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบ เมื่อจิตใจของบุคคลมีหลักของสมาธิติคือปัญญาเห็นชอบประกอบอยู่ภายในใจความอยากในวัตถุกรรมซึ่งเกิดขึ้นก็จะถูกจำแนกแยกแยะในความพอใจในการแสวงหาในวิธีการเพื่อจะให้ได้มาให้ถูกต้องตามคันลองแห่งธรรม ระดับมาตรฐานจิตใจของบุคคลที่เป็นไปในลักษณะนี้จึงได้ชื่อว่าอยู่ในภูมิของมนุษย์หรืออยู่ในชั้นของมนุษย์อย่างที่ได้ท่านวิเคราะห์ไว้ว่าสัตว์ใดรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และอะไรไม่เป็นประโยชน์สัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์ซึงนักปรัชญาพูดโดยสรุปว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีเหตุผล เพราะอะไรพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตในการสแสวงหาในการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นได้พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นก็จะมีความรุนแรงเข่มเกรียมโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าสัตว์ดิบชั้นด้วยซ้ำไปแต่เพราะพื้นฐานทางใจที่ได้รับอบรมด้วยหลักธรรมคือความมีเหตุผล หรือดักของสมาธิิก็จะคุมจิตใจของตนและการสแสวงหาของตนให้อยู่ในคันลองแห่งธรรมะได้บางครั้งบางคราวอาจจะผิดพลาดไปบ้างเพราะความไม่สมบูรณ์แห่งสติแต่ถึงอย่างนั้นก็เพียรพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงความเห็นแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่ถึงความเห็นผิดประเภทที่เรียกว่าเป็นนิยตามิชาทิจิ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวัตรขหานุคือเป็นหลักต่อของวัตตะได้แก่ความเห็นสามประเภทคือปฏิเสธกรรมได้แก่เจตนาที่บุคคลกระทำลงไปทางกายทางวาจาและทางใจว่าไม่มีไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามประการที่สองเป็นการปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลซึ่งเกิดขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไร เป็นการเกิดขึ้นลอยๆเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือเป็นเรื่องของการบันดาลจากสิ่งภายนอกเป็นต้นก็แล้วแต่ว่าปริมาณของโมหะจะมีมากมายขนาดไหนและความเห็นในทํานองปฏิเสธหมดทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธความดีความชั่วปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัฏปฏิเสธครูาศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ ซึ่งความเห็นในลักษณะนี้ก็ให้เกิดภาวะที่เรียกว่าจะงักงนันทั้งในด้านการสำเนีกศึกษาทั้งในด้านการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติและในการที่จะสัมผัสผ ล, ผลแห่งธรรมะนั้นด้วยใจของตนดังนั้นเมื่อบุคคลคุมจิตใจอเอาไว้ในระดับนี้ได้ก็ชื่อว่าอยู่ในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเชื้อที่เป็นธาตุซึ่งเป็นกามธาตุเหมือนกัน แต่มีความประนีตขึ้นมีความสะอาดขึ้นมีความสงบมากยิ่งขึ้นมีธรรมะเข้าเจือกรมธาตุเหล่านั้นจนจิตใจของบุคคลมีความนึกคิดกระทำพูดไปตามกรอบแห่งธรรมะมีความพลังพลาดน้อยลงมีความถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งชั้นแห่งจิตในลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยอเนกกับปริยายเช่นทรงยกเอากุศลกรรมบุตอย่างในอปันากสุตหรือทรงยกเอาธรรมะห้าประการหรือสทธาสินจากขาสัสตะปัญญาอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในสังขารูปปัฏิสุต และนอกจากนั้นได้ทรงแสดงธรรมะโดยปริยายอื่นอีกเป็นนันมากที่บุคคลน้อมนามาไว้ภายในใจของตนสลายความเข้มข้นของกามธาตุได้มีความเจือจางลงแม้แต่การรับเชื้อในด้านกามาธาตุก็เป็นเชื้อที่ถูกวิเคราะห์ถูกปิดกั้นไว้ด้วยฮิริและโอตตาป ฮิริและโอตตปะจึงเป็นสุขธรรมคือธรรมะฝ่ายขาวซึ่งใครก็ตามสมบูรณ์ด้วยฮิริและโอตตปะสัตว์ุรุษทั้งหลายในโลกนี้เรียกบุคคลผู้นั้นว่ามีเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาฮิริคือความละอายแก่ใจเป็นมโนธรรมที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล อาจจะอาศัยชาติสกุลที่เป็นสกุลผู้ดีรับการฝึกปรืออบรมมาจากปุหลักผู้ใหญ่ภายในสกุลอาจจะอาศัยการศึกษาที่มีส่วนในการพัฒนาจิตใจอาจจะอาศัยวัยที่เจริญเติบโตขึ้นมีประสบการณ์สูงขึ้นและที่สำคัญก็คือความเข้มแข็งในด้านจิตใจ เป็นตัวเสริมสร้างให้เกิดธรรมะข้อนี้ขึ้นในส่วนด้านอตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปและผลของบาปซึ่งอาจจะอาศัยเรียนมาจากผลบาปที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอิ่ดแลวมีความหวาดสะดุ้งต่อผลเช่นนั้นว่าจะเกิดแก่ตนและวิเคราะห์ตรวจสอบถึงเหตุที่ให้เกิดผลเช่นนั้นแก่บุคคลเหล่านั้น ก็ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าถ้าหากว่าเขาไม่ทําเช่นนั้นผลบาปเช่นนั้นก็จะไม่เกิดแก่เขาแม้เราเองถ้าไม่สร้างเหตุในลักษณะที่ให้เกิดความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานก็ไม่เกิดแก่เราและอาศัยความสํานึกที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่างๆเช่นมีความสํานึกว่าเมื่อกระทําไปแล้ว แม้เราเองก็จะติเตียนตัวเราเองได้ผู้รู้ใครครวนพินิษพิจารณาแล้วก็จะทำนิหรือกลัวกลัวต่วออัตยาของบ้านเมืองและกลัวต่อภัยที่ตนจะประสบในนรกซึ่งความรู้สึกข้อสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากข้อนี้จะพบว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายของเรานั้น ความรอบรู้ในเชิงปริยัติไม่ได้มากมายอะไรเพราะระบบการศึกษาการเรียนการสอนไม่ได้จัดเป็นระบบไม่มีการเร่งรัดไม่มีสื่อในการเรียนการสอนมากอย่างในปัจจุบันแต่หลักใจที่สำคัญของท่านนั้นก็คือความมีหิริได้อุตตปะพร้อมที่จะละเว้นความชั่วไม่ว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม ก็าท่านเข้าใจประจักษ์แจ้งแก่ใจของท่านว่าความชั่วก็คือความชั่วไม่ใช่ชั่วเพราะคนอื่นเห็นคนอื่นตนํหนิแต่ชั่วเพราะเจตนาชั่วเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เก่ตนและแก่บุคคลอื่นท่นก็พร้อมที่จะละเว้นความชั่วโดยมีความรู้สึกว่าอายผีสางเทวดาเขาพยายามที่กระทาความดี ก็พร้อมที่จะกระทําเพราะมีความสำนึกว่าความดีก็คือความดีความดีไม่ได้อยู่ที่คนยกย่องสรรเสริญแต่ความดีอยู่ที่กุศลและเจตนานบังเกิดขึ้นภายในใจแล้วบุคคลกระทําลงไปจะเป็นทางกายทางวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจก็ตามมีผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นการกระทานั้นก็เป็นความดี ต่ทาให้ท่านพร้อมที่จะกระทำความดีทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนโดยมีหลักพื้นฐานสามัญธรรมดาว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดา ก, ก็เห็นและจากความคิดจุดนี้เองที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าปิดทองหลังพระเพราะอะไรเพราะมีความสานึกว่าการปิดทองพระนั้นปิดตรงไหนก็ปิดพระ ไม่จำเป็นว่าจะต้องปิดที่พระพักเสมอไปส่วนใดก็ตามที่เป็นพระเมื่อปิดทองลงไปก็ชื่อว่าปิดพระการกระทำความดีก็มีลักษณะเช่นนั้นคนเห็นหรือไม่เห็นคนยกย่องหรือไม่ยกย่องใครจะให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัลแต่กุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่ขัดเกลารจิตใจขัดเกลากิเลสภายในจิตในขณะนั้น เป็นเหตุให้บุคคลทำกุศลกรรมเหล่านั้นออกไปและท่านก็พร้อมที่จะกระทำความดีเช่นนั้นหรือโดยปริยายอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักธรรมเอาไว้ที่ท่านใช้คำว่าวัตรบุตรคือหลักธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดให้เป็นเท้าสะกะเทวราชโดยใจหรือโดยธรรมโดยชีย้ไปที่ธรรมะ ได้แก่การอุปถากต์บำรุงมารดาบิดาของตนด้วยความเคารพด้วยความเอื้อเฟื้อยกจ่องมารดาบิดาไว้ในฐานะเป็นบุรพาเทพเป็นอาหุนยับุคคลเป็นพรมของลูกและเป็นพระอรหันต์ภายในครัวเรือนเป็นมิตรภายในครัวเรือป น, นรรอประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเชิดถับบุคคลคือผู้ใหญ่ภายในสกลุลเจรจาเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น การแสดงออกซึ่งวาจาเช่นกับน้ําใจน้ําใจเช่นกับวาจาเปล่งวาจาที่ไพเราะสนองหูของผู้ฟังฟังแล้วสบายหูสบายใจงดเว้นวาจายุให้รําำตามให้รั่วได้แก่วาจาที่สอดสิ์คือการนําความข้างนี้ไปบอกข้างโ น, น้นนําความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อบุคคลสองฝ่ายแตกแยกกัน อย่าเพราะความริษยาคนสองคนนั้นหรือเพราะต้องการลาบผลจากบุคคลสองคนนั้นก็ตามมาฐานทางใจของบุคคลที่เข้าไปสู่ระดับนี้แล้วจะงดเว้นวาจาเช่นนั้นมองเห็นโทษของความสนีความหวงซึ่งทำให้ยึดติดอยู่ในอารมณ์ตา่างๆรอบนาศของความโลภ ใครไปกระทบวัตถุที่หวงที่ติดด้วยอำนาจการมาธาตุนั้นก็จะเกิดเป็นโรสะมีการต่อสู้มีการประหรัรประหารกันแล้วก็เพียรพยายามขจัดมัจฉริยะคือความสนีซึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเวลาพูดจากับบุคคลอื่นก็พูดจาถ้อยคำที่เป็นคำสัตย์คำจริง และสัจจะคือความจริงนั้นจะแสดงออกมาทั้งด้านจริงกายจริงใจจริงในกิจจการงานและมีความสัตยซื่อต่อกันจนกลายเป็นสัจจอาทฐานคือตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำงานนั้นให้ได้จริงๆเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นพิจารณาเห็นโทษของความโกรธว่าความโกรธนั้นมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษ ถ้าหากว่าบุคคลปล่อยจิตให้ความโกรธครอบงำแล้วกระทาพูดไปต า, ตามแรงของความโกรธที่ผลักดันโจบาปโทษต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเป็นนั้นมากเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นก็ใช้หลักของธรรมะคือความข่มใจบ้างขันติความอดทนบ้างหากห้ามความโกรธเอาไว้หลักธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าตังเวเดวาตาวดิงซาอาหุสัุริโสอิิ สาตร์บุรุษในโลกนี้เรียกท่านผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมเหล่านี้ว่าเป็นธรรมะที่ทาคนให้เป็นเทวดานี้ได้แก่พื้นฐานในชั้นกามธาตุซึ่งมีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับจุดเปลี่ยนแปลงกามธาตุให้มีธรรมะเข้าสนับสนุนก็คือกุศลและเจตนาที่มองเห็นคุณค่าของธรรมะ คุณค่าของธรรมะแล้วน้อมนำธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นโดยนาำนำับซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าปริยายแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพบด้วยภูมิด้วยชั้นแห่งจิตและพบภูมิที่มีอยู่เป็นอยู่ก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้านั้น บุคคลที่สามารถตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ด้วยจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นมนุษย์ได้ด้วยจิตใจเป็นเทวดาในชั้นต่างๆได้ด้วยจิตใจจนถึงกับเป็นพรหมได้แก่รูปธาตุรูปธาตุนันหมายถึงรูปธรรมที่มีความประณีตขึ้น ตัวการที่ให้เกิดรู ป, ปรธาตุก็คือจิตที่เพ่งดูรู ป, ปรธาธตุทั้งหลายได้แก่มนัสิการในกรรมฐานคืออารมณ์ของสมถกรรมฐานนั่นเองเมื่อจิตใจสงบมีความตั้งมัน่นมีความประนีตขึ้นโดยลําดับรูปซึ่งเป็นตัวอารมณ์เป็นเครื่องกําหนดของจิตในขณะนั้นๆก็จะมีความประนีตตามไปด้วย ที่เรียกว่า น, นิมิตปรากฏในอารมณ์ของกรรมฐานและในขณะเดียวกันก็ยกระดับจิตของบุคคลให้มีความประนีตขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันชั้นแห่งจิตในทันนี้อาศัยธรรมะเป็นนันมากที่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งจะชมพราะว่าในชั้นทั่วไปแล้วได้แก่หลักของพรหมิหารธรรมทั้งสประการ ซึ่งเป็นเรือนอาศัยของใจหรือเป็นเรือนใจของบุคคลที่ทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นพรมด้วยใจคือเจตนาที่เกิดขึ้นประกอบด้วยเมตตาจิตมุ่งดีปรารถนาดีต่อชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ปรารถนาที่จะปรารถนาที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ อยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนสร้างความรู้สึกเหล่านั้นแผ่ไปในทิศทั้งหลายทั้งเบื้องสูงเบื้องตามเบื้องกวา้างเมื่อสัตว์ใดประสบความทุกข์อยู่ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นสัตว์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ใครประสบความเจริญก้าวหน้าโดยราบยศชื่อเสียง แทนที่จะรู้สึกริษยาเขาก็นมบุนาชื่นชมยินดีในความดีของเขายามที่ปียชนคนทิรักหรือคนเป็นศัตรูของเราประสบความพิบัติรกรรมคือการกระทาของตนเองอาศัยกรรมมักตายานหรือกรรมสักตัสตถาในแก่ความเชื่อมั่นในกฎของกรรมทมจิตได้อยู่ด้วยอุเบกขาทำได้ ไม่ปล่อยให้ความยินดีในความพิบัติของศัตรูครอบงําใจและไม่ปล่อยให้ความยินร้ายเพราะความพิบัติของญาติพี่น้องครอบงำใจแต่ทําใจเป็นกลางด้วยเบกขาธรรมโดยอาศัยหลักที่สวดได้สาธยายกันว่าสาัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครทำกรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นรูปประพรมโดยอัตภาพแห่งมนุษย์นี้เองแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องละเว้นอากาติทั้งสีประการได้คือไม่ลำเอียงด้วยความรักใคร่การความไม่ชอบการความกลัวและความหลงในชั้นที่ประณีตขึ้นไปอีก ได้แก่การเจริญสมถกรรมาฐานไปจนจิตใจสงบเป็นสมาธิขึ้นโดยลาดับมีองค์ของฌานบังเกิดขึ้นคือมีวิตกที่เป็นกุศลมีวิจารที่เป็นกุศลมีปีติคือความเอิบอิ่มใจมีความสุขกายสุขใจและจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าเอกคะตาก็เป็นชั้นของรูปธาตุ ที่ก่อให้บุคคล น, นั้นเข้าถึงความสงบแห่งจิตใจไม่วันไหวด้วยอำนาจของอารมณ์ที่เรียกว่านิวรังห้าประการนั้นเกิดขึ้นรุ่มรุมใจและเมื่อบุคคลเหล่านั้นทำกาลกิริยาไปในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อมก็จะเข้าถึงรูปประพรมในฌ้นนันนันตามสมควรแก่คุณภาพของฌานที่บุคคลได้บรรลุซึ่งทรงจาแนกแสดงไว้ โดยพิสดารส่วนในด้านของอรู ป, ปราธาตุนั้นหมายถึงสภาพจิตที่มีความยินดีในอรูปธรรมเพิกความพอใจความยินดีในรูปธรรม ท, ทั้งหลายนันมากําหนดอยู่ในรูปธรรม ท, ทั้งหลายถึงเริ่มมาจากอากาศวิญญาณจนมองเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถึงลักษณะเหล่านี้ได้แก่ความคิดแยกย่อยวัตถุธาตุออกไปจนถึงจุดสุดท้ายที่กลายเป็นอนูเป็นปรมณูนั่นเองแต่ว่าในชั้นนี้ต้องการเพิกถอนกิเลสออกไปจากใจจนในที่สุดเข้าถึงจุดที่เรียกว่ามองเห็นโลกทั้งหมดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่จนจิตใจไม่มีความคล้องติด อยู่ในรูปธรรมแต่ก็ติดอยู่ในอารูปธรรมซึ่งนำให้บุคคลไม่หวันไหวในอารมณ์ที่ตนเกี่ยวข้องสัมผัสจูโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรูปธรรมสภาพจิตในลักษณะนี้มีความสงบ ป, ปรนณีสูงขึ้นกิเลสแม้จะมีต่าหากว่าไม่โดนกระแทกจากข้างนอกแรงๆก็จะไม่ฟูขึ้นและถ้าหากว่าทาการละกิยาตายไป ด้วยใจที่ยังมีอรูปฌานปรากฏอยู่ก็จะเข้าถึงอรูปป ร, รมคือพรหมที่ไม่มีรูปซึ่งเป็นชั้นของจิตที่สูงและประนีตมากสําหรับปุตุชนทั้งหลายคือระดับของปุตตุชนเมื่อขึ้นถึงจุดนี้ถือว่าประณีตที่สุดเป็นระดับพัฒนาการทางจิตที่นักปราชญนยุคในสมัยก่อนพุทธกาล ก็สามารถค้นคว้ามาได้และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เคยปฏิบัติจนสัมผัสผลในลักษณะนี้แต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงจึงทรงใช้หลักของปัญญาจเจริญวิปัสนาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานจนตัดรากถอนโคนกิเลสตัณหาอุปาทานได้ในที่สุดเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอาสังกตธาตุ คือธาตุที่ไม่มีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งซึ่งจะกล่าวซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปสาหรับในวันนี้เราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป